พระไตรปิฎกเกิดขึ้นเมื่อไรถ้าอ่านประวัติการทําสังคยนามาตั้งแต่ต้นจะสังเกตได้ว่าสังคยนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเท่านั้นมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกคือมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดวินัยปิฎกจุลวรตรนอกนั้นไม่มีกล่าวถึงและการพูดถึงสังคยนาทั้งสองครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงพระไตรปิฎกใช้คําว่า ธรรมวินัยะสังคีติหมายถึงการสังคยนาพระธรรมและวินัยแสดงว่าพระพุทธวจนะนั้นยังไม่มีการจัดแบ่งเป็นปิดกหากเรียกรวมๆ ว, ว่าธรรมวินัยเท่านั้นต่อมาธรรมวินัยได้แยกออกเป็นสามส่วนแต่ละส่วนเรียกกันว่าปิดกคือธรรมะแยกเป็นสุดตันตปิดกกับอภิธรรมปิดก ส่วนวินัยคงเป็นวินัยปิดกคำถามต่อมาก็คือพระพุทธวจนะหรือพระธรรมวินัยถูกจัดเป็นรูปแบบและประเภทดังกล่าวนี้เมื่อใดในสิลาจารึกที่ค้นพบที่สา ย, ยจิสถูปซึ่งจารึกไว้ในต้นพุทธศตวรรษที่สามก่อนสมัยพระเจ้าอาโศกมีรายนามผู้สร้างส่วนต่างๆของพระสถูปปรากฏอยู่ พร้อมทั้งคุณศัพ์แสดงคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆเช่นธรรมกติกาผู้กล่าวธรรมะทั้งหลายเปตะกินผู้ทรงจำปีดกทั้งหลายสุดตันติกาผู้ทรงจำพระสูตรสุดตันตินีสตรีผู้ทรงจำพระสูตรปัญจนเนกายิกาผู้ทรงจำนิกายทั้งห้า ในศิลาจารึกพระเจ้าอาโศกที่ค้นพบที่พาบารามีข้อความอ้างถึงพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าอาโศกทรงพิจารณาเห็นว่าดีและทรงแนะนําให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามันสดับตรับฟังและพิจารณาใกล้ครวนเสมอเสมอเช่นอริยาวังสานิวงแห่งพระอริยะทั้งหลายอนาคตาพยานิ ภัยในอนาคตทั้งหลายมุนิคาถาคาถาของพระมุนีโมเนย่สุตตะสูตรว่าด้วยความเป็นมุนีอุปติสสะสินะปัญหาของพระอุปติสสะคําแรกปรากฏอยู่ในทีฆานิกายสังคีติสูตรคําที่สองมีอยู่ในอังคุตระนิกายปัญจกานิบาศคําที่สามปรากฏในขุท ธ, ธากานิกายสุตตานิบาศ คำที่สี่มีอยู่ทั้งในอังคุตรนิกายและขุตกะนิกายอิติวุตกะคำสุดท้ายหมายถึงปัญหาของพระสาวรีบุตรมีทั่วไปในพระสูตรต่างๆไม่ทราบว่าพระเจ้าอาโศกทรงเจาะจงเรื่องใดจากหลักฐานทั้งสองแห่งนี้พอสรุปได้คร่าวๆว่าหลังจากสังคยาครั้งที่สองเป็นต้นมาระพุทธวจนะ หรือพระธรรมวินัยถูกจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ในชื่อว่าปิดกและนิกายทั้งห้าคือทีฆนิกายมัชิมะนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายขุตตะกนิกายระยะแห่งพัฒนาการของพระไตรปิฎกคงกินเวลายาวนานเกือบศตวรรษกว่าจะลงตัวเป็นพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์และเชื่อว่าพอตกถึงรัชสมัยพระเจ้าอาโศก พระตรายปิฎกคงสมบูรณ์ทุกคำพีแล้วด้วยปรากฏหลักฐานบางแห่งอาทิสมันตปาสาธิกาอัตถกถาพระวินัยปิดกบอกว่าคำพี์กถาวัตถุหนึ่งในจำนวนพระอภิธรรมเจ็ดคำพีได้ถูกรจนาและผนวกเข้าไว้ในอภิธรรมปิดกโดยพระโมคคัลลีบุตรติสเถระเมื่อคราวทำสังคยาครั้งที่สามเหตุผลสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือ ในพระไตรปิฎกไม่มีข้อความใดกล่าวถึงพระเจ้าอาโศกเลยแสดงว่าพระไตรปิฎกสำเร็จเป็นรูปร่างสมบูรณ์แล้วก่อนสมัยพระเจ้าอาโศก